บทที่13จิตใต้สานึกสะพานเชื่อมต่อขั้นตอนที่11อดสู่ความร่ารวยจิตใต้สานึกของเราประกอบไปด้วยพลังความคิดซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้วเข้ามาสู่จิตสานึกพลังความคิดจะถูกจัดกลุ่มและบันทึกไว้โดยจิตใต้สานึกจะรับจัดเก็บความประทับใจและความคิดโดยไม่มีการเลือก คุณสามารถปลูกฝังแผนการความคิดหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ลงไปในจิตใต้สานึกเพื่อที่จะแปลเปลี่ยนมันให้เป็นรูปประทับหรือเป็นเงินทองปณิธานที่ผสมผสานด้วยอารมณ์ความรู้สึกและศรัทธาที่มีต่อศักยภาพของตัวคุณเองเป็นส่วนที่เข้มแข็งที่สุดดังนั้นมันจึงเป็นจุดแรกที่จะตอบสนองต่อจิตใต้สานึก จิตใต้สำนึกทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนแม้มนุษย์ยังไม่ค่อยเข้าใจดีนักแต่จิตใต้สำนึกก็สามารถดึงเอาพลังแห่งอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลมาเป็นพลังในการแปลเปลี่ยนปณิธานให้กลายเป็นความจริงมันทำงานแบบตรงไปตรงมาและเห็นผลในทางปฏิบัติคุณไม่สามารถควบคุมจิตใต้สานึกของตัวเองได้โดยเด็ดขาดแต่ก็สามารถนาเอาแผนการปณิธาน หรือเป้าหมายที่ต้องการไปเปลี่ยนให้เป็นรูปประทับได้คุณสามารถกลับไปอ่านคำแนะนำสำหรับการใช้งานจิตใต้สำนึกได้ในบทที่ 5, การเสนอแนะตัวเองบทวิจารณ์ในบทที่ 5, การเสนอแนะตัวเองมีวิธีการขั้นตน้นในการปลูกฝังและเสริมสร้างการเสนอแนะลงไปในจิตใต้สำนึก4ประการดังนี้คือ 1. โดยการสรุป และเขียนปณิธานของคุณออกมา 2. โดยการยืนยันในเชิงบวกกับตัวเองซ้ำๆสโดยการสร้างสรรค์จินตภาพแห่งเป้าหมายของคุณสโดยการปฏิบัติราวกับว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วจบบทวิจารณ์จากการศึกษาวิจัยของผมสรุปได้ว่าจิตใต้สำนึกเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างจิตใจอันจากัดของคนเรา กับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลมันเป็นสื่อกลางซึ่งคุณอาจดึงเอาพลังแห่งอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลมาใช้ได้จิตใต้สำนึกนั้นประกอบด้วยกระบวนการที่พลังจิตหรือความคิดถูกดัดแปลงและเปลี่ยนไปสู่จิตวิญญาณหรือพลังงานจิตใต้สำนึกเป็นสื่อกลางเดียวที่คำอธิษฐานหรือปณิธานอาจจะถูกส่งต่อไปยังแหล่งที่สามารถให้คาตอบ แก่คำอธิษฐานนั้นได้หรืออัจฉริยภาพแห่งจักรวาลวิธีเพิ่มพลังจิตใต้สำนึกเพื่องานสร้างสารรค์ถ้าคุณสามารถเชื่อมต่องานที่คุณต้องการสร้างสารรค์เข้ากับจิตใต้สำนึกได้คุณก็จะสามารถทำอะไรได้มากมายผมพูดคุยถึงเรื่องของจิตใต้สำนึกด้วยความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยเนื่องจากความจริงแล้วคนเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จากัดมาก ลำดับแรกคุณต้องยอมรับเสียก่อนว่าจิตใต้สำนึกมีอยู่จริงและมันสามารถจะทำอะไรให้คุณได้บ้างสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถเข้าใจความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นสื่อกลางในการแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นรูปประธรรมหรือเงินทองที่เป็นจริงคุณจะต้องเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดที่ให้ไว้ในบทที่สปณิธานนอกจากนี้คุณยังต้องเข้าใจความสาคัญ ของการทำให้ปณิธานมีความชัดเจนและเขียนมันออกมาคุณยังจำเป็นต้องใช้ความมุ่งมั่นเพื่อทำตามคำแนะนำอีกด้วยหลักการทั้ง13ประการที่เป็นพื้นฐานของหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณสามารถเข้าถึงและชักนำจิตใต้สำนึกได้อย่าท้อถอยถ้าคุณไม่สามารถทำได้ในครั้งแรกจงจำไว้ว่าเราสามารถสั่งการจิตใต้สานึก ด้วยการปฏิบัติจนเป็นนิสัยเท่านั้นแต่ถ้าคุณยังไม่มีเวลาพอที่จะจัดการกับศรัทธาจงอดทนและมุ่งมั่นต่อไปบทวิจารณ์ทฤษฎีจิตใต้สำนึกของฮิลมีประเด็นสำคัญอยู่สองประการประการแรกคือแนวคิดที่ว่าจิตใต้สำนึกเป็นแหล่งเก็บข้อมูลและความคิดที่เคยประสบมาก่อนประการที่สองคือแนวคิดที่ว่า จิตใต้สำนึกเป็นประตูไปสู่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลในบทนี้คิวเน้นความสำคัญไปที่จิตใต้สำนึกในฐานะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลจากบทวิจาร์เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกในบทที่5การเสนอแนะตัวเองได้พิสูจน์แล้วว่าจิตใต้สำนึกเป็นแหล่งเก็บข้อมูลซึ่งยืนยันได้จากการที่จิตแพทย์ใช้วิธีการสะกดจิตเพื่อบำบัด ร, รักษาโดยการสะกดจิตนี้ ทำให้จิตแพทย์สามารถช่วยผู้ป่วยเปิดประตูสู่จิตใต้สำนึกเพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งกระทบกระเทือนจิตใจในอดีตแต่ถูกละทิ้งไปหรือถูกเก็บกดเอาไว้โดยจิตสำนึกเอากลับคืนมาการพิสูจน์อื่นๆคือการใช้วิธีสะกดจิตโดยผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อช่วยให้พยานนึกถึงข้อมูลได้อีกครั้งเช่น เลขบนป้ายทะเบียนรถยนต์และรายละเอียดอื่นๆที่ถูกกันกรองทิ้งไปโดยจิตสานึกของพยานถึงแม้ว่าผลจะแตกต่างกันในแต่ละคนจึงไม่มีข้อสงสัยว่าจิตใต้สานึกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จิตสานึกไม่สามารถทำได้ทัศนะเรื่องแหล่งเก็บข้อมูลของจิตใต้สานึกใช้อธิบายว่าทาไมเราจึงเกิดมีไอเดียขึ้นมาด้วยการใช้จินตนาการสร้างสารรค์ คำอธิบายก็คือข้อมูลหรือไอเดียที่จิตสานึกของเราลงลืมไปจะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในระดับของจิตใต้สานึกเพื่อสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆและไอเดียนั้นจะถูกรับรู้ได้โดยอัจฉริยะภาพแห่งการสร้างสรรค์ของเราในรูปแบบของแรงบันดาลใจที่แวบเข้ามาแม้คุณไม่สามารถควบคุมขั้นตอนนี้ได้ทั้งหมดแต่คุณสามารถสร้างเงื่อนไขให้ตัวคุณเอง เกิดไอเดียที่ดีกว่าและมากกว่าเดิมมันเป็นความจริงที่ว่าประสบการณ์ในอดีตสามารถมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราคิดและทาได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงคุณก็อาจจะใช้ความตั้งใจและความพยายามทั้งหมดที่คุณมีเพื่อปลูกฝังไอเดียลงไปในจิตใต้สำนึกทำให้คุณสามารถเลือกสร้างสิ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ในแง่ดีเพื่อชักจูงให้ตัวคุณเองคิดและทาแต่ในทางที่ดี นี่คือวิธีการที่คุณจะพัฒนาสิ่งที่ฮิวเรียกว่าสํานึกแห่งเงินทองถ้าคุณทำทุกสิ่งด้วยพลังที่เข้มแข็งมั่นคงและเปี่ยมด้วยศรัทธาแล้วปลูกฝังไอเดียว่าคุณจะประสบความสําเร็จและบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้จิตใต้สํานึกของคุณจะยอมรับและเก็บสะสมไอเดียนั้นไว้ถ้าคุณปลูกฝังไอเดียนั้นมากพอจนทาให้มันเป็นไอเดียหลัก ในจิตใต้สำนึกแล้วแล้วก็มันก็จะท่งผลต่อไอเดียอื่นๆและข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เมื่อคุณทำให้จิตใต้สานึกไปในทิศทางซึ่งไม่เคยมีมาก่อนมันจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันและด้วยอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ของคุณคุณจะพบว่าตัวเองมีไอเดียและแผนการที่ดีกว่าเดิมเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายแต่อย่างที่ฮิวกล่าวว่าคุณสามารถทาสิ่งนี้ได้ด้วยศรัทธา และการปฏิบัติจนเป็นนิสัยเท่านั้นคุณต้องเขียนการยืนยันเป้าหมายของคุณออกมาและต้องพูดออกมาดังๆทุกวันต้องทำด้วยศรัทธาล้วนๆและมีความเชื่อยอย่างแรงกล้าว่าตัวเองจะสามารถประสบความสำเร็จได้คุณต้องเห็นภาพให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนและสร้างสารรค์และต้องทำอย่างนี้ทุกวันคุณต้องชี้นาตัวเองให้มีทัศนคติ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้และตัวเองคู่ควรแก่การช่วยเหลือจากผู้ที่สามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายได้และต้องพยายามชี้นำตัวเองเช่นนี้ทุกวันถ้าคุณยืนยันกับตัวเองในการทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความจริงจังมันจะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคุณ จิตใต้สำนึกของคุณจะทำทุกสิ่งที่มันสามารถทำได้เพื่อแปลเปลี่ยนปณิธานไปสู่ความเป็นจริงและคนอื่นๆก็จะพยายามทำสิ่งที่เขาสามารถทำได้เพื่อช่วยคุณประสบความสำเร็จในบทนี้จะมีการย้ำเตือนหลายๆข้อความที่อยู่ในบทที่ 4, สศรัทธาและบทที่หการเสนอแนะตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์แก่จิตใต้สำนึกของคุณจงจำไว้ว่า จิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานไม่ว่าคุณพยายามที่จะชักจูงมันหรือไม่ก็ตามนั่นหมายความว่าความคิดเรื่องความกลัวความยากจนหรือแนวความคิดเชิงลบก็มีผลต่อจิตใต้สำนึกของคุณด้วยหากคุณไม่จัดการกับพลังความคิดพวกนี้จิตใต้สำนึกไม่เคยอยู่เฉยๆอย่างไรประโยชน์หากคุณไม่ปลูกฝังปณิธานลงไปในจิตใต้สานึกจะทาให้ความคิดทั้งเชิงลบและเชิงบวก เขามายังจิตใต้สำนึกอย่างต่อเนื่องและเจริญเติบโตแทนซึ่งมันเป็นผลจากการที่คุณละเลยข้อนี้ความคิดเหล่านี้มาจากแหล่งกำเนิดสีประการคือ 1. จิตสำนึกของผู้อื่น 2. จิตใต้สำนึกของคุณเอง 3. จิตใต้สานึกของผู้อื่น 4. อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลทุกๆวันพลังความคิดนานาชนิด ได้เข้ามาสู่จิตใต้สานึกของคุณด้วยความที่คุณไม่รู้พลังงานบางอย่างก็เป็นลบบางอย่างก็เป็นบวกคุณควรพยายามปิดกั้นพลังความคิดเชิงลบไม่ให้เข้ามาและชักนำจิตใต้สานึกของคุณด้วยพลังความคิดเชิงบวกที่ปรารถนาเมื่อคุณทำขั้นตอนนี้สำเร็จแล้วคุณจะได้ครอบครองกุญแจที่จะเปิดประตูสู่จิตใต้สานึกของคุณยิ่งไปกว่านั้นคุณจะควบคุมประตูนั้นได้ทั้งหมด จนไม่มีความคิดที่ไม่พึงปรารถนาใดๆจะมากล้ำกลายจิตใต้สำนึกของคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นมาเริ่มต้นจากพลังความคิดเมื่อสามารถสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อเริ่มต้นจากความคิดความคิดอาจถูกรวบรวมเป็นแผนการด้วยจินตนาการจินตนาการนั้นเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอาจใช้เพื่อสร้างสรรค์แผนการหรือเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพความคิดทุกอย่างที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นความสำเร็จจะต้องถูกปลูกฝังลงไปในจิตใต้สำนึกโดยผ่านทางจินตนาการและผสมผสานด้วยศรัทธาศรัทธาในความสามารถของตัวคุณเองการผสมผสานศรัทธากับแผนการหรือเป้าหมายที่คุณตั้งใจจะส่งให้กับจิตใต้สานึกสามารถทำได้โดยผ่านจินตนาการเท่านั้นจากข้อความเหล่านี้ คงชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณต้องการใช้งานจิตใต้สํานึกของคุณจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและประยุกใช้หลักการแห่งความสําเร็จทั้ง13ข้อในหนังสือเล่มนี้ใช้อารมณ์เชิงบวกทํางานให้เป็นประโยชน์จิตใต้สํานึกมีความพร้อมที่จะรับอิทธิพลจากความคิดที่ผสมผสานด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์มากกว่าความคิดที่มาจากส่วนของเหตุผลในจิตใจ อันที่จริงมีหลักฐานสนับสนุนทฤษสดีที่ว่าความคิดที่เจือปนด้วยอารมณ์เท่านั้นที่จะมีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อจิตใต้สำนึกนอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงอีกข้อหนึ่งคืออารมณ์หรือความรู้สึกมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นความจริงที่ว่าจิตใต้สำนึกตอบสนองต่อความคิดที่ผสมผสานด้วยอารมณ์ได้ดีกว่าและเร็วกว่ามันก็จาเป็น ที่จะต้องทำความรู้จักกับอารมณ์ที่สำคัญสำคัญให้มากขึ้นอารมณ์เชิงบวกมีอยู่เจประการและอารมณ์เชิงลบก็มีเจ็ประการเช่นกันอารมณ์เชิงลบเข้ามาสู่ความคิดของคุณตามธรรมชาติและตรงไปสู่จิตใต้สานึกโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณแต่สำหรับอารมณ์เชิงบวกคุณต้องผลักดันมันเข้าไปโดยหลักการเสนอแนะตัวเอง เพื่อให้พลังความคิดที่คุณต้องการผ่านเข้าไปยังจิตใต้สำนึกอารมณ์หรือพลังความรู้สึกเหล่านี้เปรียบเสมือนผงยีสต์ในก้อนขนมปังมันเป็นส่วนประกอบซึ่งใช้ในการแปลเปลี่ยนพลังความคิดจากสภาวะเฉยชาไปสู่สภาวะที่พร้อมทำงานนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพลังความคิดที่ผสมผสานด้วยอารมณ์จึงพร้อมที่จะทำงานมากกว่าความคิด ที่มาจากเหตุและผลบทวิจารณ์ W. Clement Stone ผู้ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนที่ปรึกษาและหุ้นส่วนธุรกิจของฮิลได้จัดพิมพ์งานเขียนของฮิล่อต่อๆมาอีกมากมายข้อความต่อไปนี้ดัดแปลงมาจากหนังสือสองเล่มคือ Napoleon Hill's Keys to Success และ Believe and Achieve ความกระตือรือรน้น เป็นทัศนคติเชิงบวกเป็นแรงผลักดันภายในของอารมณ์เป็นพลังที่กระตุ้นให้เรามีการสร้างสารรค์หรือการแสดงออกมาการที่เรากระตือรือรน้นคือการส่งแรงกระตุน้นออกมาสู่การกระทำเมื่อคุณทำสิ่งใดด้วยความกระตือรือรน้นมันจะไปเพิ่มพลังแห่งการเสนอแนะตัวเองด้วยผู้จัดการฝ่ายขายนักพูดนักการทูตนักกฎหมายครู หรือผู้บริหารซึ่งทำทุกสิ่งด้วยความกระตือรือร้อนด้วยการพูดหรือท่าทีที่กระตือรือร้อนจะพัฒนาให้เกิดความกระตือรือร้อนที่แท้จริงขึ้นมาถ้าคุณทำสิ่งใดก็ตามด้วยความกระตือรือร้อนอารมณ์ของคุณจะคล้อยตามในการเติมเต็มจิตสำนึกของคุณด้วยความกระตือรือร้นนั้นคุณจะต้องประทับจิตใต้สานึก้วยการย้าคิดถึงแผนการที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการ ถ้าจิตสำนึกมีความกระตือรือร้อนน้อยลงจิตใต้สำนึกของคุณซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยภาพแห่งความสำเร็จจะช่วยให้คุณเติมพลังแห่งความกระตือรือร้อนให้กับจิตสำนึกอีกครั้งหนึ่งจบบทวิจารณ์คุณกำลังเตรียมตัวเองให้สามารถชักจูงและควบคุมจิตใต้สำนึกเพื่อแปลเปลี่ยนปณิธานให้เป็นเงินทองความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงจิตใต้สานึกจึงมีความสาคัญมาก คุณต้องสื่อสารด้วยภาษาของมันจิตใต้สํานึกจะเข้าใจภาษาแห่งอารมณ์และความรู้สึกได้ดีที่สุดต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดของอารมณ์เชิงบวกเจ็ประการและอารมณ์เชิงลบเจประการผมนำเสนอเพื่อคุณจะได้นำเอาอารมณ์เชิงบวกมาใช้ออกคำสั่งกับจิตใต้สํานึกของคุณและพยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์เชิงลบอารมณ์เชิงบวกเจประการ 1. อารมณ์แห่งปณิธาน 2. อ, อารมณ์แห่งศรัทธา 3. อารมณ์แห่งรัก 4. กรรมรมณ์อารมณ์แห่งความกระตือรือรน้น 6. อารมณ์พิสวาาดเจดอารมณ์แห่งความหวังยังมีอารมณ์เชิงบวกอื่นๆ อ, อีกแต่ทั้งเจ็ดประการ น, นี้มีอำนาจมากที่สุดและเป็นอารมณ์ที่ถูกใช้ในการสร้างสารรค์มากที่สุดจงควบคุมอารมณ์ทั้งเจนี้ มันจะถูกควบคุมด้วยการใช้มันแล้วอารมณ์เชิงบวกอื่นๆจะอยู่ในการควบคุมของคุณจงจำไว้ว่าคุณกำลังศึกษาหนังสือเล่มนี้เพื่อช่วยในการพัฒนาสำนึกแห่งความร่ำรวยโดยการเติมเต็มจิตใจของคุณด้วยอารมณ์เชิงบวกอารมณ์เชิงลบเจ็ประการที่ควรหลีกเลี่ยงหนึ่งอารมณ์แห่งความกลัว 2. อารมณ์แห่งความอิจฉาริษยา 3อารมณ์เห็นความเกลียดชัง4อารมณ์เห็นความอาฆาตแค้น 5. อารมณ์เห็นความโลภ6อารมณ์เห็นความงมงาย7อารมณ์เห็นความโกรธทั้งอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบไม่สามารถเข้าสู่จิตใจเราในเวลาเดียวกันได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งต้องเด่นกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเอง ที่จะน้อมนำอารมณ์เชิงบวกให้เข้ามาอยู่ในจิตใจการปฏิบัติจนเป็นนิสัยจะช่วยคุณได้จงสร้างนิสัยในการน้อมนำเอาอารมณ์เชิงบวกไปใช้งานในที่สุดมันจะได้กลายเป็นอารมณ์เด่นในจิตใจคุณจนอารมณ์เชิงลบไม่สามารถเข้ามาในจิตใจได้การทำตามข้อแนะนำนี้ทุกตัวอักษรยังต่อเนื่องจะทำให้คุณสามารถควบคุมจิตใต้สำนึกของคุณได้อย่างไรก็ตาม อารมณ์เชิงลบที่เข้ามาในจิตสํานึกแม้เพียงอารมณ์เดียวก็อาจทําลายโอกาสที่จิตใต้สํานึกจะให้การช่วยเหลือในเชิงสร้างสรรค์ได้บทวิจารณ์นโปเลียนฮิวคํานึงถึงความพร้อมของจิตใต้สํานึกที่จะรับรู้ความคิดเชิงลบอารมณ์และคําวิจารณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มคนที่ทํางานเกี่ยวกับเทคนิคเหล่านี้ ในเหล่าศาสตร์ของการบำบัด ร, รักษาด้วยวิธีการสะกดจิตนั้นมีหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันในชื่อว่ากฎแห่งปฏิภาคซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งกันระหว่างจินตนาการกับพลังแห่งความตั้งใจโดยที่จินตนาการเป็นฝ่ายชนะเมื่อคุณพยายามที่จะปลูกฝังไอเดียอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปในจิตใต้สำนึกที่ได้ปิดบังซ่อนเร้นไอเดียเชิงลบเอาไว้แล้ว โดยคุณพยายามที่จะบังคับให้เกิดไอเดียใหม่เพื่อให้มีผลในทางตรงกันข้ามแต่เนื่องจากจิตใต้สำนึกได้ยํำคิดอยู่กับการปกป้องไอเดียเชิงลบไว้และยิ่งคุณพยายามที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเท่าใดจิตใต้สำนึกจะยิ่งต่อต้านมากขึ้นและโอกาสที่จะทำได้ตามนั้นยิ่งยากขึ้นเท่านั้นการใช้คำว่าพยายามนี้เป็นการเตือนไม่ให้ทา เนื่องจากมันจะกลายเป็นการเสนอแนะความล้มเหลวให้กับจิตใต้สำนึกความหมายของพยายามคือการทำอย่างต่อเนื่องคุณไม่ต้องการพยายามแต่คุณต้องการสำเร็จถ้าคุณร้องขอให้จิตใต้สำนึกของคุณช่วยให้คุณพยายามมันก็ทำเพียงแค่นั้นมันช่วยคุณพยายามแต่จะป้องกันไม่ให้คุณประสบความสำเร็จเนื่องจากเมื่อคุณทำสำเร็จแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยคุณในการพยายาม ในสิ่งที่คุณร้องขอให้มันทำอีกต่อไปคำเตือนเกี่ยวกับการใช้คำว่าพยายามนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการระมัดระวังเมื่อจะใช้วิธีการยืนยันกับตัวเองและเสนอแนะตัวเองต่อไปนี้เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในยุคปัจจุบันเห็นพ้องต้องกัน 1. การยืนยันกับตัวเองควรปฏิบัติในเชิงบวกเสมอจงยืนยันสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ใช่สิ่งซึ่งคุณไม่ต้องการ2การยืนยันกับตัวเองจะได้ผลดีที่สุดเมื่อเป็นเป้าหมายที่ต้องการเพียงเป้าหมายเดียวสั้นๆกระชับและชัดเจนจงใช้เวลาเพื่อเขียนแล้วเขียนอีกและขัดเกลวข้อความที่ใช้ยืนยันกับตัวเองจนกระทั่งคุณสามารถแสดงปณิธานของคุณด้วยข้อความที่กระชับและผ่านการเลือกใช้คาเป็นอย่างดีสาม การยืนยันกับตัวเองควรเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงไม่ควรเป็นวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายจิตใต้สำนึกของคุณรู้เรื่องพวกนี้ดีกว่าคุณมันสามารถทำอะไรบ้างและจะทำอย่างไร 4. อย่าสร้างเงื่อนเวลาที่ไร้เหตุผลจิตใต้สำนึกของคุณไม่สามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เดีย๋ยนี้หรือในทันทีทันใด 5. ้เพียงแค่พูดอย่างเดียว จะได้ผลน้อยเมื่อคุณยืนยันปณิธานของคุณแล้วต้องตั้งใจทําด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในจิตใต้สํานึกว่ามีความสําคัญกับคุณจงยืนยันปณิธานกับตัวเองด้วยการมองเห็นมันเป็นภาพในใจเหมือนกระดานบันทึกแผ่นใหญ่ทําให้มันใหญ่ขึ้นทรงพลังและควรค่าแก่การจดจํามากขึ้น 6. การยืนยันกับตัวเองด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่คุณได้ปฏิบัติซ้ําๆบ่อยๆมีความสําคัญมากเวลานี้เป็นโอกาสที่คุณจะสร้างความคุ้นเคยในการคิดทางเดียวให้เป็นนิสยัยโดยการยืนยันกับตัวเองซ้ําๆทุกๆวันวิธีคิดใหม่ๆจะเริ่มต้นตอบสนองคุณโดยอัตโนมัติ จงรักษาแรงเสริมนี้ไว้จนกระทั่งมันกลายเป็นตัวตนที่สองของคุณแล้วคุณจะมีนิสัยในการคิดแนวใหม่ซึ่งเป็นแนวคิดที่คุณต้องการจบบทวิจารณ์เราสร้างนิสัยโดยอาศัยแรงเสริมที่เราได้รับนิสัยไม่ใช่ตัวตัดสินเรื่องผิดชอบชั่วดีมันสามารถไปทางดีหรือเลวก็ได้ทั้งสองด้านล้วนเกิดจากการทำซ้ ำ, ซำ ถ้าเราลองทำบางสิ่งแล้วชอบผลของการกระทำนั้นเราก็จะทำซ้ำอีกคุณสามารถแทนที่ความคิดเชิงลบด้วยความคิดเชิงบวกสามารถแทนที่การไม่ลงมือปฏิบัติด้วยการปฏิบัติและสามารถสร้างนิสัยแบบใดก็ได้ที่คุณเลือกความคิดของคุณเป็นสิ่งเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้อย่างเด็ดขาดถ้าคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้นคุณก็สามารถควบคุมความคิดที่จะไปควบคุมนิสัยอีกที เคล็ดลับของการอธิษฐานอย่างได้ผลคนส่วนใหญ่หันเข้าหาการอธิษฐานก็ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวแล้วหรือไม่เช่นนั้นก็อธิษฐานไปตามพิธีโดยไม่รู้ความหมายและเนื่องจากคนส่วนใหญ่อธิษฐานเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวหมดแล้วเขาจึงอธิษฐานด้วยจิตใจแห่งความกลัวและสับสนเนื่องจากความกลัวและสับสนเป็นอารมณ์ซึ่งผสมผสานไปกับการอธิษฐาน อารมณ์นี้ส่งต่อไปยังจิตใต้สำนึกและมันเป็นอารมณ์ที่อัจฉริยะภาพแห่งจักรวาลรับรู้และตอบสนองถ้าคุณอธิษฐานถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อธิษฐานด้วยความกลัวว่าคุณอาจจะไม่ได้ตามที่ขอหรือคําอธิษฐานของคุณอาจไม่ได้รับการตอบสนองโดยอัจฉริยะภาพแห่งจักรวาลคําอธิษฐานของคุณก็จะไร้ประโยชน์ในบางครั้ง คำอธิษฐานก็เป็นผลจริงตามที่ขอถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ได้รับสิ่งที่อธิษฐานไว้จงทบทวนและนึกถึงสภาวะจิตใจของคุณขณะที่กําลังอธิษฐานแล้วคุณจะรู้ดีว่าทฤษฎีที่ได้อธิบายนี้เป็นมากกว่าทฤษฎีวิธีการที่คุณจะใช้สื่อสารกับอัจฉริยะภาพแห่งจักรวาลคล้ายคลึงกับวิธีการการส่งเสียงด้วยคลื่นวิทยุ เสียงไม่สามารถส่งผ่านบรรยากาศได้จนกว่ามันจะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่สูงสถานีวิทยุนำเสียงของมนุษย์มาปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่เป็นล้านเท่าโดวยวิธีการนี้พลังงานเสียงจึงจะถูกส่งไปไกลๆได้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนแล้วพลังงานซึ่งมีต้นกำเนิดจากคลื่นเสียงนี้ก็จะถูกส่งเป็นคลื่นวิทยุเมื่อเครื่องรับวิทยุได้รับคลื่นเสียงความถี่สูงแล้ว จะเปลี่ยนพลังงานนี้กลับไปเป็นคลื่นความถี่ที่ต่าลงต่าลงจนเท่ากับความถี่ของต้นกําเนิดเสียงทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ลาโพงจนกลายเป็นเสียงที่เหมือนกับต้นกําเนิดจิตใต้สำนึกก็คือสื่อกลางที่จะแปลคําอธิษฐานหรือปณิธานให้อยู่ในรูปแบบที่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลจะสามารถรับรู้ได้คาตอบจะย้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบของแผนการที่ชัดเจน หรือไอเดียที่จะทำให้คุณบรรลุจุดประสงค์ที่คุณได้อธิษฐานขอไว้เมื่อคุณเข้าใจหลักการนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมลําพังบทสวดอธิษฐานอย่างเดียวจึงไม่สามารถทาหน้าที่สื่อสารระหว่างจิตใจมนุษย์และอัจฉริยาภาพแห่งจักรวาลได้เมื่อเราไม่ใส่ใจกับความยากลำบากที่มันเป็นอยู่เราก็จะไม่ท้อแท้สิ้นหวังจบบทที่สิบสาม บทที่14ศักยภาพแห่งสมองสถานีรับส่งความคิดขั้นตอนที่12สู่ความร่ำรวยช่วงที่ผมกำลังทำงานร่วมกับด็ตอร์อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลและด็ตอร์เอลเมอร์อาเกตนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เสนอแนวคิดว่าสมองของมนุษย์ทุกคนเป็นทั้งสถานีส่งและรับคลื่นความคิดด้วยหลักการเดียวกันกับเครื่องรับวิทยุ สมองของมนุษย์ทุกคนสามารถจับคลื่นความคิดที่ปล่อยออกมาจากสมองของผู้อื่นได้จิตสังหรณ์และการยังรู้ที่ได้อธิบายไปแล้วในบทก่อนว่าจินตนาการสร้างสรรค์ของคุณคือภาครับของสมองซึ่งจะรับความคิดจากจิตใต้สำนึกและรับความคิดที่ออกมาจากสมองของผู้อื่นด้วยจินตนาการสร้างสรรค์ของคุณก็คือ สะพานเชื่อมต่อระหว่างจิตสํานึกหรือความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลกับแหล่งกําเนิดของความคิดซึ่งมาจากสี่แหล่งคือ 1. จิตสํานึกของคนอื่น 2. จิตใต้สํานึกของตัวคุณเอง 3. จิตใต้สํานึกของคนอื่น 4. อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเมื่อจิตใจของคุณ ถูกกระตุน้นหรือคลื่นความคิดที่มีกำลังแรงขึ้นมันจะไวต่อการรับความคิดที่มาจากแหล่งภายนอกมากขึ้นขั้นตอนที่ทำให้คลื่นความคิดแรงขึ้นนี้เกิดจากอารมณ์ทั้งเชิงบวกและลบเราสามารถเพิ่มคลื่นความคิดให้แรงขึ้นด้วยอารมณ์สมองที่ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์จะทำงานด้วยอัตราที่เร็วกว่าเมื่ออยู่ในภาวะปลอดจากอารมณ์หรือเงียบสงบผลของการที่คลื่นความคิด มีกำลังแรงขึ้นทำให้จินตนาการสร้างสรรค์ไวในการที่จะรับไอเดียต่างๆมากขึ้นในอีกมุมหนึ่งเมื่อสมองกำลังทำงานอย่างรวดเร็วมันจะส่งความรู้สึกแห่งอารมณ์นั้นๆไปยังความคิดของคุณซึ่งตรงนี้เองเป็นขั้นตอนที่จาเป็นในการที่ความคิดนั้นจะถูกดึงขึ้นมาโดยจิตใต้สำนึกหรือไปมีผลต่อจิตใต้สานึกของตัวคุณเอง จิตใต้สำนึกเป็นสถานีส่งของสมองซึ่งทำหน้าที่ส่งและกระจายคลื่นความคิดออกไปการเสนอแนะตัวเองเป็นสื่อกลางที่คุณจะใช้เชื่อมการทำงานกับสถานีส่งส่วนจินตนาการสร้างสารรค์ทำหน้าที่พารับที่จับพลังงานความคิดเอาไว้บทวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาแนวคิดของนเนโปลีย์ที่อยู่ในบทก่อนๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 1. สมองเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งได้ในเวลาเดียวกัน 2. ออารมณ์มีผลต่อความสามารถในการส่งและรับเมื่ออยู่ภายใต้ภาวะอารมณ์ที่แรงกล้าคุณจะสามารถส่งความคิดได้อย่างมีพลังเมื่ออยู่ภายใต้ภาวะอารมณ์ที่แรงกล้าคุณจะไวในการรับความคิดมากขึ้น 3. เมื่อคุณจะส่งความคิดจะส่งมันไปที่ไหน คุณสามารถส่งความคิดไปยังจิตใต้สำนึกโดยใช้การเสนอแนะตัวเอง 4. เมื่อคุณได้รับความคิดมันมาจากที่ไหนมันมาจากจิตใต้สำนึกและคุณรับมันผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ของคุณ 5. จิตใต้สำนึกของคุณมีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งจิตใต้สำนึกเป็นที่รวมแห่งข้อมูลดังที่ได้อธิบายแล้วในบทก่อนลักษณะที่สอง จิตใต้สำนึกเป็นสะพานเชื่อมต่อกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาล 6. อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเป็นสื่อกลางที่คุณจะใช้รับความคิดจากสมองคนอื่นอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเป็นคำที่ฮิลใช้เพื่ออธิบายกฎพื้นฐานทางฟิสิกส์เนื่องจากทุกสิ่งในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเวลาอวกาศพลังงานหรือ ส, สาร โดยสาสสารก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งทุกสิ่งต่างก็เป็นส่วนย่อยของสิ่งเดียวกันนั่นหมายความว่าจิตใต้สำนึกของคุณพลังงานมีพื้นฐานร่วมกับจิตใต้สำนึกของคนอื่นๆหรือพลังงานเจดความคิดจากสมองของคนอื่นจะเข้ามาหาคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ภายใต้อารมณ์ที่แรงกล้าและภาครับของคุณไวที่จะรับเป็นพิเศษ บางทีมันอ่านแรงจนสามารถดึงดูดความคิดจากจิตใต้สํานึกของสมองผู้อื่นได้ที่ทําเช่นนี้ได้เพราะมีการเชื่อมโยงระหว่างอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลกับจิตใต้สํานึกของสมองผู้อื่น 8. ความคิดจากสมองผู้อื่นทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการอย่างรู้การสังหรณ์ใจเดจาวู ja ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงเดจาวู ja หมายถึง ความรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งที่เห็นหรือจำเหตุการณ์ได้ทั้งๆที่จริงไม่เคยสัมผัสมาก่อนจบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงและการมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าถึงแม้ว่าการอธิบายของฮิลจะขึ้นกับพลังที่จับต้องไม่ได้ซึ่งไม่สามารถแยกแยะหรือพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการได้แต่อย่างไรก็ตามทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์และจิตวิทยา ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ดีนักในเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดซึ่งมาจากความรู้หรือข้อมูลที่เราไม่ได้มีอยู่เดิมจบบทวิจารณ์พลังอันยิ่งใหญ่ที่จับต้องไม่ได้ในอดีตเราทำตัวเองให้ขึ้นกับประสาทสัมผัสทางกายมากเกินไปและจำกัดความรู้ของตัวเองอยู่แค่วัตถุซึ่งเราสามารถมองเห็นสัมผัสมีน้าหนัก และวัดได้เท่านั้นผมเชื่อว่าเราได้เข้ามาถึงยุคที่มหัศจรรย์ที่สุดเป็นยุคที่จะสอนให้เราเข้าใจเกี่ยวกับพลังที่จับต้องไม่ได้ของโลกที่เกี่ยวกับตัวเรามากยิ่งขึ้นบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้ว่ามีตัวตนอื่นที่ทรงพลังอํานาจมากกว่าตัวตนทางกายภาพที่เรามองเห็นเวลาส่องกระจกคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะจริงจัง กับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเราไม่สามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าได้อย่างไรก็ตามเราเพิกเฉยต่อความรู้ที่มีอยู่น้อยนิดเกี่ยวกับพลังที่จับต้องไม่ได้หรือไม่สามารถอธิบายได้ทั้งๆ ท, ที่เราถูกควบคุมดูแลจากพลังที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้นี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมนุษยชาติทั้งมวลไม่มีพลังพอที่จะจัดการเราไม่สามารถควบคุมพลัง ที่จับต้องไม่ได้ซึ่งมาพร้อมคลื่นในมหาสมุทรเราไม่เข้าใจพลังแห่งแรงโน้มถ่วงที่ทำให้โลกไปน้อยล่องลอยในอวกาศและดึงดูดเราไว้ไม่ให้หลุดจากโลกไปซึ่งเราควบคุมพลังนี้ได้น้อยมากเรายอมสยบให้กับพลังอันจับต้องไม่ได้ที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าและเมื่อพบกับพลังอันจับต้องไม่ได้แห่งกระแสไฟฟ้านี้เราก็แทบจะสิ้นหวัง เราไม่เข้าใจพลังอันจับต้องไม่ได้และอัจริยาภาพที่แทรกตัวอยู่ในผืนแผ่นดินของโลกซึ่งทําให้มีอาหารทุกๆคําที่เรากินเสื้อผ้าทุกชิ้นที่เราสวมใส่เงินทุกบาทที่อยู่ในกระเป๋าของเราท้ายที่สุดด้วยวัฒนธรรมและการศึกษาทั้งหมดที่เรามีก็ยังคงมีความเข้าใจน้อยหรือไม่เข้าใจเลยกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือความคิด อย่างไรก็ตามเราได้เริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานที่ซับซ้อนของสมองมากขึ้นผลที่ได้น่าทึ่งมากเรารู้ว่าจุดเชื่อมต่อเส้นใยประสาทที่เปรียบเหมือนสวิตควบคุมการรับส่งกระแสประสาทนั้นมีมากมายมหาศาลถ้าเขียนออกมาเป็นจำนวนก็คือ 1. ตามด้วยเลขศูนย์อีก15ล้านตัวเลยทีเดียวดรซีจัสันเฮริก แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่าตัวเลขภาษานี้เปรียบเป็นระยะทางนับร้อยล้านปีแสงเลยทีเดียวในสมองส่วนหน้าของมนุษย์เรามีจำนวนเซลล์ประสาทมากถึงหนึ่งมืนี่พันล้านเซลล์และเรายังรู้ว่าเซลล์เหล่านั้นมีการจัดเรียงตัวเป็นแบบแผนที่แน่นอนไม่ใช่แบบตามบุญตามกรรมแต่มีการจัดเรียงที่แน่นอนผมแทบไม่อยากเชื่อว่าเครือข่ายที่ซับซ้อนนี้ มีหน้าที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้แต่ละส่วนของร่างกายทำหน้าที่และเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสมทั้งหมดนี้เป็นระบบเดียวกันกับการที่เซลล์สมองนับพันล้านเซลล์ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนอกจากนี้มันยังเป็นระบบที่ทำให้เกิดการสื่อสารของพลังที่จับต้องไม่ได้อื่นๆอีกด้วยบทวิจารณ์ในช่วงเวลาที่ฮิวเขียนบทความนี้ เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับศักยภาพของสมองและวิธีการที่จะจัดการกับมันเราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสารเคมีในสมองสามารถวัดพลังงานที่สมองปล่อยออกมาเรารู้พื้นที่ของสมองแต่ละส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมหน้าที่ต่างๆของร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำอารมณ์เหตุผลและความซับซ้อนของกระบวนการคิด ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสมองทำให้เราสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมองขณะที่มันกำลังทำงานด้วยความรู้ทางศัลยศาสตร์อายุรศาสตร์และเทคนิคอื่นๆทำให้เรารู้วิธีป้องกันสมองจากความคิดบางอย่างและรู้วิธีกระตุ้นให้สมองเกิดความคิดเมื่อต้องการเราสามารถกระตุ้นพื้นที่ของสมองบางตำแหน่งแล้วทาใหเกิดความคิดเชิงบวกที่เราพึงพอใจ แต่เรายังไม่สามารถควบคุมให้ความคิดนั้นเป็นอย่างที่ต้องการได้ทั้งหมดและเรายังไม่มีวิธีการที่จะใส่ข้อมูลลงไปในความคิดเชิงบวกนั้นโดยความรู้ความก้าวหน้าทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับสมองเราก็ยังไม่รู้วิธีที่จะทำให้สมองมีความคิดหรือไอเดียบางอย่างโดยเฉพาะความคิดพื้นฐานหรือความคิดสร้างสรรค์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่สามารถให้ทฤษฎีที่ดีกว่าฮิวถึงวิธีการอย่างรู้หรือการสั่งคะ้อความรู้ที่เราไม่มีและไม่เคยประสบมาก่อนคุณลักษณะทางกายภาพของสมองยืนยันว่าส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคิดอยู่บริเวณใดแต่ก็ไม่ได้ให้คำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือความคิดจากคนหนึ่งส่งต่อไปยังอีกคนหนึ่งได้อย่างไรในบทวิจารณ์ที่ผ่านมา ได้ชี้เห็นแล้วว่ากฎทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของฮิวเรื่องการที่ทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันและถึงแม้ว่านี้จะไม่ใช่บทเรียนวิทยาศาสตร์แต่มันทำให้คุณมั่นใจว่างานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงก็สนับสนุนแนวคิดนี้เช่นกันทฤษฎีควอนตัมเกี่ยวข้องกับอนุภาคระดับเล็กกว่าอะตอมซึ่งเล็กมาก จนมันอยู่ในระดับที่เป็นเนื้อสารพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า EPR และนักฟิสิกส์ชาวไอริสจอห์นสจวตเบลได้เสนอทฤษฎีเบลซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดว่าเมื่อแยกอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมสองอนุภาคซึ่งเชื่อมต่ออยู่ออกจากกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับอนุภาคเก็ทาให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงนั้น กับอนุภาค b ด้วยแม้ว่ามันอยู่ห่างจากกันก็ตามอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันเรียกว่าสมองโฮโลกราฟิกหรือจักรวาลโฮโลกราฟิกชื่อนี้ถูกตั้งตามคุณลักษณะพิเศษของโฮโลกรมกล่าวคือเมื่อคุณตั้งแบ่งครึ่งโฮโลกรมออกคุณจะได้ภาพโฮโลกรมอย่างละครึ่งแต่จะได้เป็นสองส่วนซึ่งเหมือนกันทุกประการไม่ว่าจะนาส่วนที่ถูกแบ่งครึ่งแล้วนี้ มาแบ่งครึ่งอีกหรือส่วนอื่นใดก็ตามก็ยังได้ลักษณะเหมือนเดิมทุกประการทุกๆส่วนของโฮโลแกรมล้วนมีคุณสมบัติที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันหมดในปีคิทสสกา 1, 70, ุาร1970คารลพิพรแรมนักประสาทรีระวิทยาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประกาศผลการศึกษาวิจัยว่าความคิดไม่ได้อยู่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งในสมอง แต่กระจายออกไปจากสมองคล้ายลักษณะของแผ่นโฮโลแกรมแทบจะในเวลาเดียวกันนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงเดวิดโบมเสนอว่าการทำงานของจักรวาลเหมือนกับลักษณะของโฮโลแกรมคือทุกสรรพสิ่งมีการเชื่อมโยงกันและทุกๆสิ่งมีอิทธิพลซึ่งกันและกันทุกๆส่วนของจักรวาลบรรจุจักรวาลทั้งหมดไว้ นี่อาจจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่มากเกินไปสำหรับผู้อา่านฮิวไม่ได้เป็นผู้เดียวที่สรุปว่ามีพลังที่จับต้องไม่ได้บางอย่างที่ทำให้จิตใต้สำนึกของคุณสามารถเชื่อมโยงกับทุกๆสิ่งในจักรวาลมีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้กับส่วนนูนและส่วนเว้าบนผ้าปูโตะแม้จะมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นผ้าปูโตะ อีกวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจว่าสรพสิ่งเชื่อมโยงกันได้อย่างไรก็คือสมมุติว่าคุณเจาะรูห้ารูไว้บนกำแพงแล้วให้อีกคนหนึ่งที่อยู่อีกห้องหนึ่งสวมนิ้วเข้าไปในรูทั้งห้าแล้วกระดิกนิ้วจากนั้นก็นำอีกคนหนึ่งซึ่งเชื่อเฉพาะแต่สิ่งที่จับต้องและเห็นได้ด้วยตาเท่านั้นเมื่อเขาเข้ามาในห้องและได้เห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระต่อกันของวัตถุทั้งห้านี้ คุณอาจพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าด้านหลังของกำแพงนั้นคือวัตถุทั้งห้าที่เชื่อมโยงกันและทั้งหมดเป็นส่วนของมือเดียวกันแต่เนื่องจากเขาไม่สามารถมองเห็นการเชื่อมโยงกันและไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเราจึงไม่อาจจะชักจูงเขาให้เชื่อตามนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการแพรสมัยใหม่จิตวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีทันสมัย ยังไม่สามารถแสดงให้เราเห็นด้านหลังของกำแพงได้แต่ความจริงก็ยังคงอยู่เราแทบทุกคนอาจเคยมีลางสังหรณ์เกี่ยวกับบางคนหรือบางสิ่งหรือสังหรณ์ใจว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงหรือความรู้สึกว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วมันก็เป็นจริงข้อมูลข่าวสารพวกนั้นมาถึงเราได้อย่างไร ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่านักจิตวิทยาคาวจุงเรียกปรากฏการนี้ว่าความเชื่อมโยงอันปราศจากรูปไร้ความรู้สึกตัวบางทีเรียกว่า universal subconscious คนอื่นเรียกว่า t o t a l l y u n i f y i theory the great first cause หรือ the universal mind of spirit และบางคนคิดว่า มันเป็นวิธีหนึ่งในการอธิบายสิ่งซึ่งนโปเลียนฮิลเรียกว่าอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลและเป็นคำอธิบายง่ายๆที่ทําให้คุณสามารถทํางานกับปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถเข้าใจได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ที่ฮิลต้องการจะชี้ให้เห็นคือเพื่อให้คุณมีหนทางที่จะเข้าถึงพลังอันจับต้องไม่ได้ที่จะช่วยคุณเปลี่ยนปณิธานไปสู่ความเป็นจริง จบบทวิจารณ์หลังจากได้มีการเขียนหนังสือเล่มนี้และต้นฉบับได้ถูกส่งไปยังสำนักพิมพ์แล้วหนังสือพิมพ์นิวย o r กไทมส์ก็ได้ตีพิมพ์บทความของนักวิจัยผู้ชาญฉลาดแห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำในเรื่องของปรากฏการณ์ทางจิตซึ่งนำไปสู่งานวิจัยจนได้ข้อสรุปที่เข้ากันได้กับหลายสิ่งที่อธิบายไว้ในบทนี้และบทต่อๆไป บทความโดยสรุปที่ดรเจบีไรต์และคณะแห่งมหาวิทยาลัยดุ๊กได้วิเคราะห์ไว้ดังต่อไปนี้อะไรคือโทรจิตเมื่อเดือนที่ผ่านมาเราได้อ้างอิงบทความผลงานของศาสตราจารย์ไร้์และคณะแห่งมหาวิทยาลัยดุ๊กโดยได้ทดลองมากกว่าหนึ่งแสนครั้งเพื่อยือนยันว่าโทรจิตและอำนาจอย่างรู้มีอยู่จริง ผลการวิจัยนี้ได้สรุปเอาไว้ในบทความสองเรื่องในนิตยสาร Harper ในบทความที่สองซึ่งผู้เขียนคือ E. H. Wright พยายามที่จะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือสิ่งซึ่งอนุมานโดยเหตุผลเกี่ยวกับธรรมชาติของการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษ ESP Extra Sensory Perception ผลจากการทดลองของดรไ g h ์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ว่าโทรจิตและอำนาจอย่างรู้อาจมีอยู่จริงมีการถามผู้เข้าร่วมการทดลองถึงชื่อที่อยู่ในบัตรหลายใบซึ่งถูกปิดมิดชิดไม่ให้พวกเขามองเห็นและปราศจากประสาทสัมผัสอื่นใดที่จะรับรู้ได้พบว่ามีชายหญิงกลุ่มหนึ่งที่สามารถบอกชื่อคนในบัตรมากมายนั้นได้ถูกต้องซึ่งไม่ใช่ความบังเอิญหรือโชคดี เนื่องจากมีโอกาสทายถูกเพียงหนึ่งในล้านล้านแต่พวกเขาทำได้อย่างไรพลังเหล่านี้สันนิษฐานว่ามีอยู่จริงดูเหมือนไม่มีการรับรู้ด้วยวิธีอื่นและไม่มีอวัยวะรับสัมผัสอื่นใดจะรู้ได้แม้จะทดลองด้วยการใช้ระยะห่างกันหลายร้อยกิโลเมตรก็ได้ผลแบบเดียวกันกับที่ทำในห้องทดลองในทัศนของไรท์ที่พยายามจะอธิบายเรื่องของโทรจิตและอำนาจอย่างรู้ผ่านทฤษฎี การแผ่รังสีทางกายภาพพลังงานทั้งหมดที่เรารู้จักจะลดลงเป็นสัสดส่วนผกผันกับระยะทางแต่โทรจิตและอำนาจอย่างรู้ไม่เป็นเช่นนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามเหตุและผลทางกายภาพแต่เข้ากันได้กับพลังจิตมากกว่าทั้งยังขัดแย้งกับแนวความคิดทั่วๆไปเนื่องจากพลังจิตนี้จะทำงานไม่ดีในภาวะหลับหรือครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่กลับตรงกันข้าม มันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อผู้นั้นตื่นตัวและกระฉับกระเฉงเต็มที่ดรไรค้นพบว่าสารเสพติดประเภทฟินจะไปลดระดับการส่งพลังส่วนสารกระตุ้นสมองจะไปเพิ่มการส่งพลังให้มากขึ้นผู้เข้ารับการทดสอบที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถทำคะแนนได้ดีถ้าเขาไม่พยายามทำอย่างสุดความสามารถไรได้สรุปด้วยความมั่นใจว่าทรจิตและอำนาจอย่างรู้นี้ เป็นสิ่งเดียวกันและต่างก็เป็นพรสวรรค์เหมือนกันนั่นคือความสามารถในการมองเห็นบัตรที่วางคว่มอยู่บนโต๊ะดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกับที่ผู้นั้นสามารถอ่านความคิดในจิตใ จ, ใจของผู้อื่นได้มีพื้นฐานความรู้หลายอย่างที่ทำให้เราเชื่อเช่นนั้นทุกคนที่มีความสามารถพิเศษจะมีพรสวรรค์ทั้งสองประการ น, นี้เท่าๆกันฉากกั้นกาแพง และระยะทางจะไม่มีผลต่อความสามารถพิเศษนี้เลยไรส์สังหอนใจว่าประสบการณ์แห่งประสาทสัมผัสพิเศษอื่นๆเช่นความฝันบอกเหตุลางสังห์ในหายนะที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดท่านผู้อ่านอาจไม่จำเป็นต้องยอมรับข้อสรุปนี้แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานที่ด็อตอร์ไร์หยิบยกขึ้นมาแสดงนั้นมีความน่าสนใจยิ่ง บทวิจารณ์ในปีคิตศกราช1927ดรเจบีไรท์และภรรยาของเขาดรลูซ่าอีไรท์ร่วมกับศาสตราจารย์วิลเลียมแมคกโดกันคณะบดีคณะจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยดุ๊กได้สร้างสรรการทดลองที่ประยุกต์ใช้ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ศึกษาปรากฏการณ์ทางจิตพวกเขาได้พัฒนาหลักการทางวิทยาศาสตร์และขั้นตอนในการศึกษา ค้นหาและทดสอบบุคคลซึ่งมีความสามารถผิดธรรมดาด็อกเตอร์ไรเป็นผู้บัญญัติศัพท์การรับรู้โดยประสาทสัมผัสพิเศษและเขาได้นำการศึกษาปรากฏการทางจิตที่อธิบายไม่ได้มาใช้ในการศึกษางานวิจัยจากห้องปฏิบัติการของไรเป็นงานที่ก้าวหน้าที่สุดในสาขาวิชานี้ในปีคิตศราช1962 พวกเขาได้สร้างสถาบันสำหรับการศึกษาวิจัยธรรมชาติของมนุษย์เพื่อเป็นการสานต่อการศึกษาของเขาโดยไม่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยและเพื่อตีพิมพ์งานที่เกี่ยวข้องในปีคิเตศกราษ1995ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยไรท์ r i ท e Research Institute จบบทวิจารณ์วิธีการที่จะรวมใจกันทำงานเป็นทีม ผมอยากจะเสริมข้อสังเกตของผมเองเกี่ยวกับทัศนะของด็อกเตอร์ไรท์เรื่องภาวะที่อยู่ภายใต้จิตใจซึ่งตอบสนองต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษผมและเพื่อนร่วมงานได้ค้นพบสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นภาวะที่จะกระตุ้นจิตใจเพื่อให้สัมผัสที่หกสามารถทำงานได้ ผมได้ร่วมกับผู้ช่วยอีกสองคนทำการทดลองจนเราค้นพบวิธีการกระตุ้นจิตใจของพวกเราทั้งสามคนให้รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหลากหลายให้กับลูกค้าของผมได้วิธีการนั้นง่ายมากเรานั่งด้วยกันบนโตประชุมพูดคุยถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญแต่ละคนมีส่วนร่วมคิดในเรื่องอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้น โดยการประยุกต์ใช้หลักการติดต่อกับที่ปรึกษาที่มองไม่เห็นซึ่งจะได้อธิบายในบทต่อไปวิธีการกระตุ้นจิตใจนี้ได้ทำให้เกิดสิ่งแปลกประหลาดกับพวกเราในการที่จะติดต่อกับแหล่งความรู้ที่ไม่รู้จักและนอกเหนือประสบการณ์ถ้าคุณเข้าใจหลักการที่ได้อธิบายไว้ในบทระดมความคิดคุณจะจาการประชุมโต๊ะกลมได้ว่ามันคือการนาหลักการระดมความคิดไปใช้นั่นเอง นี่คือวิธีการกระตุ้นจิตใจโดยการปรึกษาหารือในเรื่องที่ชัดเจนกันระหว่างคนทั้งสามซึ่งเป็นการอธิบายการระดมความคิดที่ง่ายและให้ผลในทางปฏิบัติที่สุดเมื่อคุณเข้าถึงพลังแห่งทีมระดมความคิดแล้วจะพบว่ายิ่งพวกคุณทำงานร่วมกันมากเท่าใดสมาชิกแต่ละคนก็ยิ่งได้เรียนรู้ที่จะคาดการความคิดของคนอื่นสามารถติดต่อสื่อสารกัน ด้วยความกระตือรือร้อนและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจมากขึ้นคุณจะไม่สามารถควบคุมขั้นตอนนี้ได้แต่เมื่อคุณใช้มันมากขึ้นเท่าใดมันจะยิ่งเพิ่มผูนมากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณนำหลักการนี้ไปประยุกใช้และปฏิบัติกับแผนการของคุณก็จะทำให้คุณสามารถนำสูตรสำเร็จของคานิคีที่ได้อธิบายไว้ไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าคุณยังไม่เห็นคุณค่าของมันตอนนี้ จงทำเครื่องหมายหน้านี้ไว้แล้วอ่านอีกครั้งหลังจากที่คุณได้อ่านบทสุดท้ายจบแล้วความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาจากการเสียสละที่ใหญ่ยิ่งหาใช่ความเห็นแก่ตัวไม่จบบทที่14บทที่15หประสาทสัมผัสที่หประตูสู่ปัญญาขั้นตอนที่13สาสู่ความร่ำรวย หลักการที่13านี้รู้จักกันดีในนามของประสาทสัมผัสที่6อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลจะใช้ประสาทสัมผัสที่หกนี้เพื่อสื่อสารกับเราโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือร้องขอใดๆหลักการนี้เป็นส่วนยอดบนสุดของปรัชญาแห่งความสำเร็จเราจะสามารถซึมซับเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ก็ต่อเมื่อเราได้ควบคุมหลักการอื่นๆทั้ง12ประการแล้วเท่านั้น ประสาทสัมผัสที่6เป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการสร้างสารรค์และยังเกี่ยวข้องกับภาครับที่ซึ่งไอเดียแผนการและประกายความคิดจะเข้ามาสู่จิตใจเราบางครั้งเราเรียกประกายความคิดนี้ว่าความสังหนใจหรือแรงบันดาลใจประสาทสัมผัสที่6นั้นยากแก่การอธิบาย เราไม่สามารถอธิบายให้กับคนที่ยังไม่เข้าถึงหลักการอื่นๆแห่งปรัชญานี้ให้เขาเข้าใจได้เนื่องจากเขาเหล่านั้นยังไม่มีประสบการณ์กับสิ่งที่จะนำมาเปรียบเคียงกับประสาทสัมผัสที่หหลังจากคุณได้เข้าถึงหลักการในหนังสือเล่มนี้แล้วคุณก็พร้อมที่จะรับรู้ความจริงอันเหลือเชื่อประสาทสัมผัสที่6จะเตือนคุณถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยง และช่วยคุณสังเกตเห็นโอกาสเพื่อที่จะช่วยโอกาสนั้นไว้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อคุณพัฒนาประสาทสัมผัสที่หกของคุณแล้วมันจะเป็นเสมือนเทพผู้ปกป้องคุ้มครองขอให้ความช่วยเหลือแก่คุณเป็นเทพผู้จะเปิดประตูสู่วิหารแห่งปัญญาความมหัศจรรย์แห่งประสาทสัมผัสที่หกผมไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องของความมหัศจรรย์ง่ายๆเนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติอยู่พอควรธรรมชาติไม่เคยเบี่ยงเบนไปจากกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามีกฎธรรมชาติบางอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้เพราะมันก่อให้เกิดสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ประสาทสัมผัสที่หที่ผมเคยได้ประสบมานั้นใกลเคียงอย่างยิ่งกับความมหัศจรรย์ที่ว่าผมทราบดีว่ามีพลังอย่างหนึ่งหรืออาจเป็นแหล่งกาเนิดแรก ที่แทรกตัวอยู่ในทุกๆอะตอมของสสารและกระจายตัวอยู่ในทุกอนูของพลังงานที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ผมรู้ดีว่าสิ่งนั้นคืออัจฉริยะภาพแห่งจักรวาลอันเป็นสิ่งซึ่งเปลี่ยนผลโอกคให้กลายเป็นต้นโอกคทำให้กระแสน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำตามกฎแรงโน้มถ่วงของโลกสลับสับเปลี่ยนกลางคืนกับกลางวันฤดูหนาวกับฤดูร้อน รักษาสมดุลของทุกคนทุกแห่งและสัมพันธภาพของทุกสิ่งโดยหลักการที่ได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้อัจฉริยภาพนี้สามารถช่วยคุณเปลี่ยนปณิธานไปสู่สินทรัพย์ผมทราบดีเพราะผมเคยได้ผ่านพบและมีประสบการณ์กับมันมาแล้วคุณได้อ่านบทก่อนหน้านี้มาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงหลักการสุดท้ายนี้แล้วถ้าคุณได้เข้าถึงแต่ละหลักการก่อนหน้านี้แล้ว บัตรนี้คุณก็พร้อมแล้วที่จะได้รับสิ่งพิเศษตอบแทนโดยปราศจากข้อสงสัยแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าถึงหลักการเหล่านี้คุณจำเป็นต้องลงมือปฏิบัติก่อนที่คุณจะตัดสินว่าสิ่งตอบแทนนี้เป็นเรื่องจริงหรืออิงนิยายให้ผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตคุณผมเป็นผู้หนึ่งซึ่งยกย่องนับถือวีรบุรุษ ขณะที่ผมกำลังผ่านช่วงเวลาแห่งวีวรบุรุษไปผมก็ได้พบว่าตัวเองพยายามที่จะเรียนแบบคนที่ผมชื่นชอบมากที่สุดประสบการณ์สอนผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือพยายามเอาอย่างวีวรบุรุษเพื่อให้เท่าเทียมกับท่านโดยพยายามทำตัวให้เหมือนชอบและรู้สึกเหมือนท่านเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ผมได้คนพบว่า ศรัทธาซึ่งผมได้ภาคเพียนพยายามเลียนแบบวิวรบุรุษนั้นได้ทําให้ผมมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จนานมาแล้วก่อนที่ผมจะเขียนหนังสือหรือพูดในที่สาธารณะผมจะสร้างนิสัยในการเปลี่ยนบุ ค, คลิกภาพของตัวเองโดยพยายามเรียนแบบบุคคลทั้ง9้าซึ่งเคยมีชีวิตอยู่จริงและชีวิตการทํางานของเขาประทับใจผมมากที่สุด บุคคลทั้งเก้านั้นคืออีเมอร์สันเพนเอดิสันดาวินลินคอนเบอร์แบงค์นโปเลียนฟอร์ดและคาเนกีทุกๆคืนผมได้จัดประชุมในจินตนาการกับกลุ่มบุคคลซึ่งผมเรียกว่าที่ประชุมซึ่งมองไม่เห็นเป็นเวลานานหลายปีวิธีการที่ผมทำก็คือ ก่อนที่ผมจะเข้านอนในตอนกลางคืนผมจะหลับตาแล้วจินตนาการเห็นกลุ่มบุคคล น, นี้นั่งรายล้อมผมร่วมโต๊ะประชุมที่นี่เป็นที่ที่ผมได้นั่งอยู่ท่ามกลางคนที่พิจารณาแล้วว่ายิ่งใหญ่โดยผมทำหน้าที่หลักโดยการเป็นประธานในที่ประชุมผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้จินตนาการกับวิธีการนี้เป้าหมายนั้นคือการสร้างบุคลิ ก, กภาพของตัวเองขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เกิดการผสมผสานแห่งบุคลิกภาพที่มาจากที่ปรึกษาแต่ละคนในจินตนาการของผมโปรดระหนักว่าผมต้องเอาชนะอุปสรรคของการถือกำเนิดและเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดการเอาใจใส่และงมงายผมได้จัดการทำให้ตัวเองเกิดใหม่ผ่านวิธีการที่ได้อธิบายไปข้างตน้นเสริมสร้างบุคลิกภาพ้วยการเสนอแนะตัวเอง ผมรู้ว่าเราเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะความคิดที่มีพลังอำนาจและปณิธานผมรู้ว่าปณิธานที่ฝังลึกเป็นเหตุให้คนสามารถหาหนทางที่จะเปลี่ยนปณิธานไปสู่ความเป็นจริงผมรู้ว่าการเสนอแนะตัวเองเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างบุคลิกภาพข้อเท็จจริงก็คือมันเป็นเพียงหลักการเดียวที่จะเสริมสร้างบุคลิกภาพได้ ด้วยความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของจิตใจนี้ทำให้ผมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของผมเองจากการประชุมในจินตนาการนี้ผมด้วยขอร้องให้สมาชิกที่ปรึกษาให้ความรู้ที่ผมต้องการผมจะพูดกับแต่ละคนออกมาดังๆดั ง, ดงต่อไปนี้คุณอิเมสันครับผมอยากได้ความเข้าใจธรรมชาติที่หลากหลายจากคุณ ผมขอให้คุณสร้างความประทับใจให้จิตใต้สำนึกของผมด้วยศักยภาพในการเข้าใจกฎธรรมชาติที่คุณมีคุณเบอร์แบงค์ครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณถ่ายทอดให้ผมคือความรู้ที่ทำให้คุณสามารถผสมผสานกฎแห่งธรรมชาติดังที่คุณได้ทำให้ต้นกระบองเพชรไร้น้าและสามารถนำไปกินเป็นอาหารได้โปรดมอบความรู้ที่ทาให้คุณสามารถปลูกหญ้าที่มีสองใบได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คุณนโปเลียนครับผมอยากได้ศักยภาพอันอัศจรรย์ใจจากคุณในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนและกระตุ้นให้เขาฮึกเหิมและเด็ดเดี่ยวขึ้นผมอยากได้จิตวิญญาณแห่งศรัทธาอันไม่ย่อท้อซึ่งทำให้คุณสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะและเอาชนะอุปสรรคได้คุณเพนครับสิ่งที่ผมปรารถนาจะได้รับจากคุณคือเสรีภาพของความคิดความกล้าหาญ และความชัดเจนในการแสดงออกซึ่งเป็นความเชื่ออย่างแรงกล้าที่ทำให้คุณโดดเด่นจากคนอื่นคุณดาวินครับผมอยากได้ความอดทนอันน่าทึ่งของคุณและความสามารถในการเรียนรู้เหตุและผลโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงเพื่อให้คุณเป็นต้นแบบของวิทยาศาสตร์แห่งธรรมชาติคุณลินคอนครับ ผมปรารถนาจะสร้างบุคลิกภาพของตัวเองด้วยจิตใจที่รักความยุติธรรมความอดทนที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอารมณ์ขันความเข้าใจเพื่อนมนุษย์การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งเป็นนิสัยอันโดดเด่นของคุณคุณคาเนกี้ครับ สิ่งที่ผมอยากได้จากคุณคือความรู้ความเข้าใจในหลักการของความภาคเพียรพยายามซึ่งคุณใช้ในการสร้างกิจการอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณฟอดครับผมอยากได้จิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นความตั้งใจแน่วแน่และความมั่นใจในตัวเองที่สามารถทำให้คุณจัดการกับความยากจนและบริหารจัดการความพยายามของมนุษย์ให้เกิดเอกภาพเพื่อที่ว่าผม จะได้ช่วยผู้อื่นให้ดำเนินตามรอยของคุณคุณเอดิสันครับสิ่งที่ผมปรารถนาจะได้จากคุณคือจิตวิญญาณแห่งศรัทธาที่คุณใช้เพื่อค้นหาความลับอันมากมายของธรรมชาติและจิตวิญญาณแห่งการไม่ว่างเว้นจากการทำงานหนักโดยความเหนื่อยยากซึ่งทำให้คุณฉกชวยชัยชนะจากความพ่ายแพ้ได้พลังอันน่าตื่นตาตื่นใจของจินตนาการ วิธีการจัดประชุมสมาชิกในจินตนาการของผมอาจแตกต่างกันไปตามบุคลิกลักษณะที่ผมสนใจผมได้ศึกษาชีวประวัติของแต่ละคนด้วยความอุตสาหะหลังจากหลายเดือนผ่านไปผมประหลาดใจว่าแต่ละครั้งที่ผมจัดประชุมปรึกษาในจินตนาการเริ่มกลายเป็นความจริงสำหรับผมมากขึ้นบุคคลทั้งเก้าพัฒนาบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาจนผมแปลกใจ ตัวอย่างเช่นลินคอนพัฒนานิสัยมาสายบ่อยๆแล้วเดินไปรอบๆ อ, อย่างเอาจริงเอาจังเขามักจะมีสีหน้าเคร่งเครียดและไม่ค่อยเห็นเขายิ้มเลยด้วยลักษณะที่เป็นคนอื่นไปไม่ได้ของเบอร์แบงก์และเพนซึ่งมักอ่อนๆผ่อนตามโดยการใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญาอีกทั้งยังเป็นการสนทนาที่ดําเนินไปอย่างฉลาดหลักแหลมซึ่งดูเหมือนทาใหสมาชิกคนอื่นในที่ประชุมตกใจ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เบอร์แบงค์มาสายเขาเข้ามาด้วยท่าทีตื่นเต้นและกระตือรือร้นเนื่องจากการทดลองที่เขากำลังทำอยู่เขาหวังว่าจะสามารถปลูกต้นแอปเปิลบนต้นไม้ชนิดใดๆก็ได้เพนทำเสียงแข็งแล้วเตือนเขาว่าแอปเปิลนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความยุ่งยากระหว่างชายและหญิงดาวินหัวเราะเบาๆแล้วแนะนำว่าเพนควรเฝ้าระวังซาตานไว้ ในขณะที่เข้าไปในป่าเพื่อเก็บแอปเปิ้ลมันมักจะกลายร่างเป็นงูใหญ่อิมสันให้ข้อสังเกตว่าไม่มีซาตานก็ไม่มีแอปเปิ้ลนโปเลียนก็กล่าวขึ้นมาว่าไม่มีแอปเปิ้ลก็ไม่มีชาติการประชุมกลายเป็นความจริงจนผมเริ่มกลัวผลที่จะตามมาทําให้ผมหยุดการประชุมไปหลายเดือนประสบการณ์นี้แปลกจนไม่สามารถอธิบายได้ ผมกลัวว่าถ้าขืนประชุมต่อไปผมอาจจะลืมความจริงไปว่าการประชุมนั้นเป็นเพียงประสบการณ์ในจินตนาการของตัวเองเท่านั้นนการเขียนหนังสือเล่มนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผมมีความกล้าพอที่จะพูดถึงทัศนคติส่วนตัวของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าผมอธิบายประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดานี้ใครๆคงจะเข้าใจผมผิดไปเป็นแน่ ปัจจุบันผมมีความกล้าพอที่จะเปิดเผยมันออกมาเป็นตัวหนังสือเนื่องจากผมใส่ใจกับการที่คนอื่นเขาจะว่าเอาน้อยกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาแม้แต่คณะสมาชิกของผมอาจเป็นเพียงนิยายและการประชุมมีอยู่แต่ในจินตนาการของผมเท่านั้นแต่พวกเขาก็ได้ชักนำผมไปสู่ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเราอารมณ์ให้ผมซาบซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ กระตุ้นความคิดสร้างสารรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผมซื่อสัตย์และกล้าหาญชัดเจนในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองบทวิจารณ์แม้ว่าประสบการณ์ของเนโปลีียนฮิลเกี่ยวกับที่ปรึกษาในจินตนาการของเขาจะดูธรรมดาธรรมดาในตอนต้นที่ได้อ่านแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักแต่งนวนิยายทุกยุคทุกสมัย การที่นักเขียนจะได้เริ่มเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนั้นจะมีจุดหนึ่งที่บุคลิกลักษณะของตัวละครจะต้องกระจ่างชัดในใจของนักเขียนบุคลิกภาพของตัวละครเหล่านี้จะได้เริ่มอธิบายเขาโครงเรื่องที่นักเขียนไม่เคยวางแผนมาก่อนความคิดนี้มักจะเข้ามาสู่นักเขียนเมื่อเขาหรือเธอได้ผสมผสานกลมกลืนไปกับบุคลิกลักษณะอย่างสมบูรณ์และเข้าไปอยู่ในชีวิตจริง ที่นักเขียนไม่เคยประสบมาก่อนจิตแพทย์นักจิตบำบัดและผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแรงจูงใจก็ใช้ปรากฏการนี้เวลาที่พวกเขาทํางานกับการแสดงบทบาทขั้นตอนที่ใช้คือการร้องขอให้คนสองคนแสดงบทละครออกมาถ้าเขาอยู่ในสถานะของอีกคนถ้าทําสิ่งเหล่านี้ภายใต้สถานการณ์ซึ่งผู้เข้าร่วมไม่ลำบากใจ หรือไม่มีสำนึกเห็นความเป็นตัวเองอยู่และถ้าผู้นั้นยอมให้ตัวเองจมลงไปในพวังและพยายามอย่างจริงจังที่จะกลายเป็นบุคคลอื่นผลที่ออกมาน่าประหลาดใจมากซึ่งขึ้นกับการที่คุณมีศรัทธาในการเข้าถึงมันคุณไม่เพียงแต่สามารถรับรู้ถึงความคิดของผู้อื่นเท่านั้นยังเกิดความอย่างรู้มีการรับรู้ความรู้สึกอย่างที่คนอื่นรู้สึกและได้เข้าใจปฏิกิริยา หรือแรงจูงใจของผู้อื่นอย่างแท้จริงอีกด้วยเหตุผลในวิธีการทำงานของมันนั้นเป็นเรื่องลึกลับพอๆกับเหตุผลว่าทำไมคุณจึงเกิดมีลางสังหรณ์ได้การที่จินตนาการของคุณสร้างสารรค์บุคลิกภาพโดยไม่มีการยับยั้งขัดขวางดังนั้นเมื่อคุณคิดผ่านบุคลิกภาพนั้นจิตใจของคุณก็จะถูกจากัดน้อยกว่าปกติอย่างไรก็ดีข้อที่จริงก็คือ การที่คุณใช้จินตนาการส่งตัวตนของตัวเองไปสู่บุคลิกลักษณะของคนอื่นนั้นคุณได้เปิดใจให้กับแนวคิดซึ่งปกติคุณไม่เคยมีมาก่อนและคุณยังสามารถใช้สภาวะจิตใจนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยคุณเปลี่ยนปณิธานไปเป็นความสำเร็จได้อีกด้วยจบบทวิจารณ์เปิดแหล่งสร้างแรงบันดาลใจ มีบางส่วนของเซลล์สมองที่สามารถรับคลื่นความคิดที่เราเรียกว่าความสังหรณ์ใจนานมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นหาตำแหน่งของประสาทสัมผัสที่หกได้พบแต่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรนักคอเทจริงยังคงอยู่เช่นเดิมว่ามนุษย์เราสามารถรับความรู้จากแหล่งอื่นที่นอกเหนือจากประสาทสัมผัสของเราได้โดยทั่วไปแล้วความรู้ถูกรับรู้ได้ เมื่อจิตใจอยู่ภายใต้อิทธิพลของการกระตุ้นที่ต่างไปจากปกติภาวะฉุกเฉินใดก็ตามที่กระตุ้นอารมณ์และเป็นเหตุให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอาจทำให้ประสาทสัมผัสที่6ททำงานใครก็ตามที่มีประสบการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์จะรู้ว่าประสาทสัมผัสที่6มักจะมาช่วยชีวิตคุณให้พ้นจากอุบัติเหตุในเสี้ยววินาทีสาคัญ ผมกล่าวถึงตรงนี้เพื่อเป็นพื้นฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงต่อไปนี้หลายครั้งหลายคราวเมื่อผมเผชิญกับเหตุฉุกเฉินบางอย่างที่ร้ายแรงจนทำให้ชีวิตผมเสี่ยงกับอันตรายผมได้รับการแนะนำอย่างน่าอัศจรรย์จนผ่านความยากลำบากไปได้ด้วยการชักนำจากที่ปรึกษาที่มองไม่เห็นเป้าหมายเดิมของผมในการจัดประชุมคณะที่ปรึกษาในจินตนาการคือการเสนอแนะตัวเอง เพื่อประทับบุคลิกลักษณะที่ผมต้องการลงไปในจิตใต้สำนึกในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผมใช้การทดลองนี้ในลักษณะที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันผมจะเข้าร่วมกับที่ปรึกษาในจินตนาการเมื่อผมและลูกค้าของผมต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยากๆระหว่างการประชุมกับที่ปรึกษาที่มองไม่เห็นนี้ผมพบว่าจิตใจของตัวเองไวที่จะรับรู้ไอเดีย ความคิดและความรู้ที่ผ่านประสาทสัมผัสที่6เข้ามาผลที่ได้น่าอัศจรรย์ใจมากถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้พึ่งพาการปรึกษารูปแบบนี้แล้วก็ตามประสาทสัมผัสที่6ไม่ใช่อะไรที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะสามารถเอาออกไปหรือนำพาเข้ามาตามความตั้งใจได้ความสามารถที่จะใช้พลังอันยิ่งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นช้า ผ่านการประยุกต์ใช้หลักการอื่นๆที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใครหรือจุดประสงค์ในการอ่านหนังสือเล่มนี้ของคุณคืออะไรคุณสามารถที่จะได้รับประโยชน์แม้ว่าจะไม่ได้เข้าใจท่องแท้ถึงวิธีการและเหตุผลของหลักการที่อธิบายในบทนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป้าหมายหลักของคุณคือการสะสมเงินทองหรือทรัพย์สินผมเขียนบทที่ว่า ด้วยประสาทสัมผัสที่6นี้ก็เพราะหนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบให้เสนอแนะประชัชญาให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถนำทางตัวเองให้ได้รับสิ่งใดก็ตามที่ตนเองปรารถนาในชีวิตจุดเริ่มต้นของความสําเร็จทั้งปวงคือปณิธานจุดสิ้นสุดก็คือความรู้ที่จะนําไปสู่ความเข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจกฎของธรรมชาติ และเข้าใจในความสุขที่แท้จริงเราจะมีความเข้าใจนี้ได้โดยการสร้างความคุ้นเคยและนำหลักการแห่งประสาทสัมผัสที่6กนี้ไปใช้เท่านั้นขณะที่กำลังอ่านบทนี้คุณอาจพบว่าตัวเองถูกยกระดับการกระตุ้นจิตใจให้สูงขึ้นยอดเยี่ยมมากโปรดย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแล้วสังเกตว่าจิตใจของคุณจะสูงขึ้น ไปสู่ระดับการกระตุ้นที่สูงขึ้นกว่าเดิมอีกโปรดทบทวนประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ต้องห่วงว่าคุณได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหนในทันทีทันใดในที่สุดคุณจะพบว่าตัวเองได้ครอบครองพลังที่จะสลัดความท้อแท้ทิ้งไปจัดการกับความกลัวดึงจินตนาการของคุณมาใช้ได้อย่างอิสระถึงตอนนั้นคุณจะได้สัมผัสกับบางสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน บางสิ่งที่ขับเคลื่อนจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของนักคิดผู้นำศิ ล, ลปินนักดนตรีนักเขียนหรือรัฐบุรุษถึงตอนนั้นคุณจะอยู่ในสถานะที่พร้อมจะแปลเปลี่ยนปณิธานของคุณไปเป็นรู ป, ปรธรรมหรือสินทรัพย์อย่างมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งอาจง่ายได้เหมือนเวลาที่คุณอยากล้มเลิกเมื่อเห็นสัญญาณแรกของอุปสรรค มีแต่คนซึ่งรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถไควยคว้าสิ่งที่ต้องการได้จบบทที่สิบห้าบทที่สิบหหปีสาต ร, ร้ายแห่งความกลัวมีอยู่กี่ตัวที่ขวางทางคุณอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถนำปรัชญานี้ไปใช้เพื่อความสำเร็จต้องเตรียมจิตใจของคุณให้พร้อมที่จะรับมันซิก่อน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 จุดมุ่งหมายของบทนี้เน้นความสนใจไปที่สาเหตุและการแก้ไขความกลัวพื้นฐานหประการก่อนที่คุณจะจัดการกับศัตรูเราต้องรู้จักชื่อนิสัยของมันและจุดที่เราจะโจมตีมันเสียก่อนขณะที่คุณอ่านหนังสือจงวิเคราะห์ตัวเองอย่างระมัดระวังและพิจารณาตัวคุณเองว่ามีความกลัวทั้งหซ้อนอยู่ด้วยหรือไม่และจำไว้ว่าบางทีพวกมัน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 ยอมรับชะตาชีวิตโดยไม่คัดค้านเกียรติคร้านทั้งกายและใจขาดความคิดริเริ่มจินตนาการความกระตือรือร้นและการควบคุมตัวเอง 2. ไม่กล้าตัดสินใจนิสัยยอมให้คนอื่นคิดแทนรีรอหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ 3. ความลังเลสงสัยมักมีข้อแก้ตัวขออ้างมาปกปิด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 หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของตัวเองมักดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดหรอบคอบมากเกินไปนิสัยที่มองหาแต่งแง่ลบของสิ่งต่างๆรอบตัวมักคิดและพูดถึงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นแทนที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าหนทางนั้นจะนำไปสู่ภัยพิบัติแต่ก็ไม่เคยคิดหาแผนการที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวมักรอคอยเวลาอันเหมาะสม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 ความสามารถที่จะใช้เหตุผลคาดหวังแต่ความยากจนแทนที่จะสแสวงหาความร่ำรวยคบหาสมาคมกับคนที่ยอมรับสภาพความยากจนแทนที่จะเป็นคนที่สแสวงหาความร่ำรวยเงินพูดได้บางคนอาจถามว่าทำไมคุณจึงมาเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทำไมจึงวัดความร่ำรวยด้วยเงินทองเพียงอย่างเดียว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 เวสบลูเพดเลอร์ได้อธิบายความกลัวนี้ได้เป็นอย่างดีบทวิจารณ์เจมส์เวสบลูเพดเลอร์เป็นคอลัมนิสของหนังสือพิมพ์ชิคาโกไดลีนิวส์และวอชิงตันโพสต์ถึงแม้ว่าเขาจะประกอบวิชาชีพของเขาจนถึงปีคิตศก1960แต่ผลงานการเขียนของเขาขึ้นถึงจุดสูงสุดระหว่างปีคศ1930ถึง1940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 ทุกคนมักมีเก็บไว้ในใจแล้วพร้อมที่จะหยิบยื่นให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะได้รับการร้องขอหรือไม่ก็ตามญาติสนิทที่สุดมักจะเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดเพราะแม้อาจกระทำผิดต่อลูกเป็นความผิดที่เลวร้ายที่สุดในธรรมชาติของมนุษยธรรมโดยการสร้างปมด้อยลงไปในจิตใจลูกโดยการตาหนิติเตียนโดยไม่มีความจาเป็นนายจ้างซึ่งเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์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 คิดแล้วรวยโดยนโปเลียนฮิล